ตอนนี้หมอเขาห้ามหลวพ่อพูดยาวเส้นเสียงแล้วมีปัญหาพูดเยอะอยู่อยู่วัดเนะี่ยสาวอาทิตย์เนะี่ยเทศสามชั่วโมงต่อขะหยุดพักฉันเข้าสิบห้านาทีพอหลายหลายปีเข้าเส้นเสียงมันไม่ไหวไปตรวจล่าสุดในเสียงมันหายไป บอกว่ามันเป็นฟ้าที่เส้นเสียงถ้ายัางพูดอย่างเดิมเนะี่นต่อไปไม่ใช่เป็นเนื้องอกแล้วก็ต้องไปผ่าถ้าผ่าแล้วจะพูดไม่ได้เป็นปีเลยนั่นะเราฟังหลวงพ่อประมาณแนตะ่ฟังได้นานๆหน่อยก็แล้วกันนะแบบสายันสัญญานะ รักน้อยๆแต่รักนานๆเหนไนะสิ่งที่หลวงพ่อสอนพวกเรานะเอาไปทำเถอะมันได้ผลแน่นอนบางคนไม่เจอหลวงพ่อดูแต่ยูทูปเขาหัดภาวนาไปเวลาหลวงพ่อไปที่โน้นที่นี่ไปทุระเห็นเดินอยู่ริมถนน แค่เห็นเราก็รู้แล้วว่าฟังที่หลวงพ่อเทศบทีขนาดครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านก็ยังฟังพวกเราเราก็ฟังไปแต่ฟังแล้วอย่าไปภูมิใจว่าความรู้เราเยอะนะมันความรู้หลวงพ่อไม่ใช่ความรู้ของเราความรู้ของใครก็ของคนนั้นอย่าง ก่อนที่หลวงพ่อจะเจอหลวงปู่ดุลหลวงพ่อพยายามหาธรรมะดิ่นรนสแสวงหาธรรมะมากเลยลงทุนไปอ่านพระไตรปิฎกอ่านทั้งหลายรอบอยากอยาได้ธรรมะเข้าใจธรรมะอ่านแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นการปฏิบัติที่ไหนไม่รู้จะเริ่มอย่างไรธรรมะมันเยอะแยะไปหมดเลยคราหน่งเคยถาม ท่านพุทธทาสว่าถ้าผมอ่านหนังสือของท่านอาจารย์ทั้งหมดเลยนะผมจะได้โสดาบันไหมไปถามท่านนี้ท่านบอกไม่ได้หรอกต้องปฏิบัติต้องภาวนาเอาอ่านพระไตรปิฎกตั้งหลายรอบก็ไม่ได้ธรรมะเพราะมันไม่รู้หลักที่จะปฏิบัติ ถ้าทรมีเป็นตู้ๆนะพระใจ้ิปีโอาธกาาถาเนี่ยรวมกันตั้งแปดสิบเล่มใหญ่ๆไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนจนมาเจอหลวงปู่ดุลท่านชี้เข้ามาที่จิตเลยพอเข้ามาที่จิตก็มาเรียนรู้จิตตัวเองหลวงปู่ดุลสอนถึงขนาดบอกว่าธรรมะแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ย ออกมาจากจิตตัวเดียวจิตของพระพุทธเจ้าจิตที่บริสุทธิ์ออกมาจากที่เดียวนี่คือที่จิตเฉนั้นถ้าเราอยากรู้ทำเห็นทำจริงๆก็เรียนเข้ามาที่จิตตัวจิตมันเหมือนกุญแจที่เราจะไขตู้พระไตรปิดกพระไตรปิดกจะมีกี่เล่มก็ตางถ้าเรามีกุญแจคือเราเรียนรู้จิตตนเองได้เราก็จะเข้าใจธรรมะทั้งหมด หลวงู่มันก็สอนอย่างนี้หลวงู่ดูลได้ก็สอนอย่างนี้หลวงู่มั่นถึงขนาดบอกว่าเห็นจิตก็เห็นธรรมได้จิตก็ได้ธรรมะเห็นจิตก็เห็นธรรมะถ้าเสียจิตไปไม่ได้ธรรมะจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานของธรรมะทั้งปวงกูสอนเกิดที่จิตอคูสเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิต เนั้นถ้าเราอยากเห็นธรรมะ จ, จริงๆเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจครูบาอาจารย์ของหลวงพ่ออีกองหนึ่งคือหลวงปู่เทศทนะ่านเคยสอนหลวงพ่อการปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่ถึงจิตถึงใจแล้วก็ไม่ได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติแค่ได้แต่เปลือบไม่ได้สาระแก่นสารจริงๆเพื่อนการที่หลวงปู่ดุลสอนหลวงพ่อดูจิตนะแล้วท่านพยากรไว้ ล่วงหน้าหลายสิบปีนะเหตุการณ์ท่านเปยากรว่าต่อไปเนี่ยการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองนะการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองได้ยินท่านพูดทีแรกหลวงพ่อไม่เชื่อหรอกนะเพราะว่าไปที่สำนักไหนครูบาอาจารย์องค์ไหนมีแต่พวกดูกายเท่านั้นเลยไม่มีพวกดูจิตหรอกแต่ผ่านวันผ่านเวลามาจนถึงวันนี้นะ การดูจิตมันรุ่งเรืองจริงๆมันไม่เฉพาะเมืองไทยนะที่ว่ารุ่งเรืองในเมืองเมืองนอกก็รุ่งเรืองขึ้นมาในเรื่องการดูจิตควรต่างประเทศมาเรียนหลายประเทศนะเยอะแยะไปหมดละตอนนี้ที่วัดต้องมีหน่วยแปลมีสองภาษาที่แปลภาษาจีนิับภ า, าอังกฤษทาไมการดูจิตมันรุ่งเรืองในเมืองและการดูจิตมันเป็นกรรมฐาน ที่เหมาะกับพวกที่ถิจริตพวกที่ถิจริตคือพวกชอบคิดนะยีพวกเราพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเราไม่ใช่ชาวไร่ชาวนาแบบคนโบราณโบราณอยู่ท้องทุ่งท้องนาอยู่ป่าอยู่เขาวันๆไม่ค่อยมีอะไรกระทบกระเทือนใจเงียบๆแบบนั้นนั่งสมาธิดีเพรนั่งสมาธิจิตมันสงบเงียบไปแล้วเนี่ย กรรมฐานที่เหมาะกับคนนั่งสมาธิคือการดูกายกายานุปัสสนาสติปทา น, เ, นเหมาะกับสมถญาณิหมากับคนเล่นฌานนะส่วนการดูจิตเนี่ยเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกเนี่ในคำพีระบุเอาไว้เลยเพราะงั้นที่เราทุกวันนี้เราดูจิตกันมากมายนะไม่ใช่อะไรหรอกที่สำคัญก็คือเราเข้าฌานไม่เป็น เราทำฌานไม่ได้เข้าฌานไม่ได้ทำฌานไม่เป็นเราไม่มีทางเลือกหรอกนะกรรมฐานที่เหมาะกับคนไม่ได้ฌานก็คือการดูจิตดูใจตนเองการดูจิตดูใจตนเองนะเราไม่ใช่ไปดูด้วยตานะไม่ใช่เอาตาไปดูตอนหลวงพ่อเรียนจาโลงพู ด, ดูลใหม่ๆนะหลวงพ่อดูจิตซะปวดตาเลยนะเไปให้อย่างเงี้ยไปจ้องไปอย่างเงี้ยจ้อง จิตอยู่ตรงไหนจ่องจ้องจองกระทั่ทงเนี้ยปวดไปหมดเลยกดูจิตไม่ใช่เอาตาไปดูนะแต่เรารู้ด้วยความรู้สึกใช้ความรู้สึกของเราไปรับรู้รู้สึกอะไรถ้าขัาน้นหยาบๆเนี่ยใจมันโลภรู้ว่ามันโลภรู้จักโลภไหมเวลาโลภรู้ไหมเวลาโลภเวลาอยากได้อยากมีอยา ก, ยากเป็นอยากโน้อนอยากนี้นะ แช่เนโลภนะหัดรู้สภาวะไปเนะช่นความโลภมันหน้าตาอย่างนี้นะราคะมันหน้าตาอย่างนี้ในตระกูลเดียวกันตัวโลภะตัวราคะนะความกโกรธพวกเรารู้จักไหมเห็นไหมไม่ใช่เรื่องยากสภาวะของความกโกรธมีอยูนะ่มันเป็นความรู้สึกที่กโกรธนะ ถ้าโกรดนิดหน่อยก็โกรธแบบกลุ่นๆอยู่ในใจนิดนิดหน่อยๆไหยถ้าโกรธแรงมากๆ ก, ก็พุ่งปลี้ดขึ้นหัวเลยโกรธแรงเนี่ยหัดรู้สภาวะไปนะที่จะหัดดูจิตดูจิตนะอย่าไปเชื่ออย่าไปหลงคำว่าดูจิตนะจิตไม่มีอะไรให้ดูหรอกจิตไม่มีรูปร่างนะไม่มีอะไรเลยมันว่างตัวมันว่าง งั้นอยู่ๆเลยไปดูตัวจิตเลยหาตัวจิตไม่เจอเราดูผ่านสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตคือตัวเจตสิกอย่างความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตไม่ใช่จิตด้วยความโลภไม่ใช่จิตนะความโกรธไม่ใช่จิตความหลงไม่ใช่จิตจิตคือตัวที่รับรู้อารมณ์อย่างใจเราโลบขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าความโลภเป็นของถูกรู้ถูกดู ความโลบไม่ใช่จิตเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูได้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตมันมมีร่องรอยไม่มีรูปรับที่จะให้เราสังเกตเลยมันแค่แคแก๊สหุงข้าวแก๊สหุงข้าวที่เรามีกันทุ่บ้านนะตัวแก๊สหุงข้าวจริงๆไม่มีสีไม่มีกลิ่นมันรั่วออกมาเนี้ยเราตายเปล่าเลยเราไม่รู้ว่ารู้ ในผู้ผลิตเขาก็เติมกลิ่นลงไปถ้ารั่ว อ, ออกมาแล้วมันมีกลิ่นให้เรารู้สึกดังนั้นตัวกลิ่นไม่ใช่ตัวแก๊สหุงข้าวตัวแก๊สหุงข้าวเนียเราสัมผัสกลิ่นไม่ได้จิตนี้ก็เหมือนกันตัวจิตเนียเราสัมผัสตรงๆเราดูตรงๆไม่ได้เราดูผ่านสิ่งที่เจือปนเข้ามากับจิตเหมือนเรารู้ว่าแก๊สรั่วเพราะมีกลิ่นที่เจือปนมากนแกส๊ส สิ่งที่เจือปนเข้ามาในจิตใจของเราก็ อ, อย่างความโลภความโกรธความหลงฮัดรู้หัดดูไปใจมันโลภขึ้นมากพรู้รู้จักความโลภไหมรู้จักเวลาที่ความโลภเกิดเนี่ยจิตมีอาการยังไงตอบได้ไหมอาการยังไงเออเวลาความโลภมันเกิดนะราคาเกิดเนี่ยมันจะมีอาการดึงดึงอารมณ์เข้ามาหา ตัวเองคือเข้ามาหาจิตใจตัวเองเวลาทวาราศเกิดเนี่ยมันจะมีอาการพลักพลักอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจอยากให้มันหายไปเลยเวลามีโมหะเนี่ยจะรู้อารมณ์ได้ไม่ชัดเจนมองว่าอารมณ์ไม่ออกเพราะฉะนัะ้นเป็นเรื่องราคะเนี่ยเป็นสภาวะที่มันดึงดูดเข้ามาดึงดูดเข้ามาหาเรา โทสะเนี่ยเป็นสภาวะที่ผลักออกไปนะพวกโทสะอย่าเราเกลียดหน้าใครเนี่ยอยากโอบกอดไหมอยากกอดด้วยเท้าทำไมไม่กอดด้วยมือกอดด้วยเท้ามันไกลหน่อยยันมันไปนะถ้าเราชอบนะชอบแมวสักตัวใช่ไหอยากอุ้มใช่ไหมชอบแมวเราชอบแมวล้วอุ้มมาล้วโยนทิ้งไก่ไหมไม่ทำแล้วก็ไม่ทำใช่ไ พราราคาเนี่ยมันทำให้เราดึงทุกอย่างเข้ามาหาตัวเองโทสะเนี่ยมันทำให้เราผลักทุกอย่างออกไปออกจากตัวเราเองคือออกจากใจของเรานะแต่โมหะเนี่ยเป็นสภาวะที่เราจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนในะยิงเวลาใจฟุ้งซ่านเนี่ยนะจิตจะโลบหรือจิตจะโกรธอะไรดูไม่รู้เรื่องแล้วมันฟุ้งไปหมดแล้วมั่วไปหมดนะหรือเวลาจิตมันเบลอไม่รู้เหนือรู้ใต้ ดูสถาวาไม่ออกแลเบลอๆซื้อบื้อเพราะนพวกโมหะการกิเลสหัวโจกมีสามตัวราคะโทสะโมหะราคะมีอาการดึงเข้ามาโทสะมีอาการผลักออกไปโมหะมีอาการหมุนไปหมุนมานจับอะไรไม่ถูก น, นี่เราค่อยๆสังเกตไปอย่างเวลาเราขี้เหนียวเนี่ยเวลาขี้เหนียวเนี่ย จิตดึงเข้าหรือหรือผลักออกดูให้ดีนะเวลาเราชี้เหนียวมีความสุขไหมไม่มีชอบไหมไม่ชอบหรอกเพราะฉะนั้นจริงๆความชี้เหนียวนะเป็นตะกูลโทสะเราไม่ชอบหรอกแต่ว่าเราชอบไปนูน่นจริงๆแล้วเราไม่ได้ชอบตัวความรู้สึกชี้เหนียวนี่หรอกนะ ตัวนี้เกิดแล้วก็เป็นโทสะอิจฉาอิจฉาเป็นราคะหรือโทสะเวลาอิจฉาทำไงดึงเข้าหรือผลักออกมีไหมอิจฉาไม่มีใครก็ททำหรอกใช่ไหมอิจฉาอย่างมากก็แกล้งกอดมันแต่ใจเราเนี่ยตืบมันลนะเนี่ยเราสังเกตที่ใจเรา มันดึงเข้ามาหรือมันผลักออกไปหรือมันจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนแต่ถ้าเราพูดภาษาแคกไม่เป็นเลยนะเรารู้สภาวะจริงๆอย่างนี้ใช้ได้เนี่นต่อไปนี้เวลาใจเรานะมันมีความโลภขึ้นมามันมันอยากเห็นรูปอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสมาเนะี่ยหรืออยากได้ความรู้สึกในใจที่ดีๆเนี่ยมันเนีเ่ยตัวโลภะเรารู้ทัน มันไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากได้กลิ่นไม่อยากได้รสไม่อยากสัมผัสไม่อยากคิดถึงรู้เลยมันพวกโทสนะเวลาโทสะเกิดเนี่ยมันจะเกิดะวิภาะตัณหาปฏิเสธนะอยากในเชิงปฏิเสธเมื่อเราสังเกตที่ใจเราทีและเรียกว่าการรู้เท่าทัานใจตัวเองหรู้ไปเรื่อยๆทีแรกเราจะรู้ได้แต่อารมณ์ที่หยาบเช่นต้องโกรธแรงๆก่อนถึงจะรู้นะ ต้องโกรธแรงๆก่อนถึงจะรู้อะไรเงี้ยโกรธนิดๆหน่อยๆไม่เห็นโกรธนิดๆนหน่อยๆนะหลวงพ่อตอนเป็นโยมเคยภาวนาหลวงพ่อเป็นคนชี้โมโหพวกโทสะจริตขี้โมโหโกรธบ่อยเราเห็นในจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายตอนแรกก็เห็นแต่โกรธแรงๆ น, นี่วันหนึ่งนะอยู่ในห้อง ในห้องแสงมันก็สบายลูกตานี่เปิดประตูออกจากห้องแสงแดดมันกระทบเปลือกตานี่กระทบ ป, ปุ๊บก็อย่างเงี้นะเราเห็นเลใจไม่ชอบนี่โทสะขึ้นละแค่แดดกระทบเปลือกตานิดเดียวนะโทสะยังมีเลยใจไม่ชอบนะเพราะฉะนั้นหัดดูสภาวะที่แรกเนี่ยเราจะเห็นแต่ของหยาบหยบ โกรธแรงแรงโลภแรงแรงนะหลงแรงแรงหลงแรงแรงหลงอยู่ทั้งหลายวันแล้วถึงจะรู้ว่าหลงตาใจเนี้ยใจมันเคลื่อนนิดเดียวก็เห็นละค่อยๆฝึกเพระมันใจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแต่เดิมต้องโกรธแรงแรถึงจะรู้นะต่อมาพอฝึกน่ารู้ความโกรธบ่อยๆแค่ขัดใจเล็กๆก็เห็นละจะค่อยเห็นเร็วขึ้นเร็วขึ้นทีแรกก็ต้องโลภแรงแรงก่อนถึงจะรู้ว่าโลภ นะต่อมาพอรจิตละเอียดขึ้นเนี่ยเราเดินสวนการค้าเนี่ยนะเราอยากได้มือถือเราก็ไปจ้องจอง้จอ้อันนี้ต้องโลบแรงๆนะโลภอย่างละเอียดเนี่ยเดินเดินอยู่นะมันอยากดูว่าตู้นี้มีอะไรนี่โลภแล้วนะละเอียดแค่อยากรู้มันมันอะไรว่าตู้เนีนะ้มันชุดสวยๆหรืออะไรหรือว่ามือถือแบบใหม่ แค่อยากรู้สึกนะอยากเห็นนิดเดียวเนี่ยเราก็เห็นแล้วเนี่ยโลกลนะถ้าเราดูเป็นอย่างนี้เราจะรู้ว่าเรารลภทั้งวันนะเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รถอยากได้สัมผัสอยากคิดนึกเรื่องราวที่ถูกอกถูกใจเวลาขับรถอยู่สบายๆนะี่เห็นรถติดเหรอสนใจไหมยอยากรู้รถมันทับใครตายเปล่านะ ดูชะเง้อบางคนเเห็นรถชนกันนะอยากดูอยากดูก็อยากนะกลัวก็กลัวนะงั้นดูตาเดียวนะดูตาข้างเดียวดูสองตาเป็นหวาดเสียวเ น, น, น, นี่ยใจเป็นโรคแค่เนี้ยก็ลบละหัดดูไปเรื่อยๆแล้วมันจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะตัวหลงนีทีแรกตองหลงยาวๆหลงนานๆถึงจะรู้ ต่อไปเนี่ยแค่ใจมันไปดูโดยไม่รู้ว่ามันหลงไปดูนี่ก็หลงละใจวิ่งไปฟังไม่รู้ว่าใจกำลังไปฟังอันนี้ก็หลงละใจไปคิดไม่รู้ว่าใจไปคิดอันนี้ก็คือหลงนะมันจะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นใจที่มันกระโดดไปกระโดดไปเนี่ยมันมีกิเลสที่ผลักดันคือตัวฟุ้งซ่านตัวอุทัดจักอุทัดจะเป็นกิเลสตะกูลโมหะ เป็นตระกูลโมหะตัวหลงยิ้นเวลาเราดูคนทั่วไปเขาคิดว่าเขาดูถ้าพูดแบบนักดูจิตชั่นดีเ้าก็บอกหลงดูเวลาเขาฟังนะเขาก็บอกว่าเขาฟังเพลงแต่ถ้าพูดแบบนักดูจิตชั่นดีบอกเขาหลงฟังนะเขาหลงไปดมกลิน่นหลงไปริมรถหลงไปรู้สัมผัสทางร่างกายหลงไปคิดนึกทางใจนะมีแต่เรื่องหลงทั้งนั้นเลย ถ้าดูจิตไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เราจะรู้ว่าเราหลงแทบตลอดเวลาเลยรู้สึกไหมนะแค่อยากอยากก็มีตลอดเวลาใช่ไหมอยากฟังอยากได้กลิ่นได้รสอยากสัมผัสหลงอะไรหลงไปดูหลงไปฟังห ล, ลงไปดมกลิ่นหลงไปคิดอนะไรเนี่ยงั้นวั น, ว, นวันหนึ่งนี้นะสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจเราคือจิเลศนานาชนิด หมุนอยู่ในใจเราเนี้ยทั้งวันการดูจิตดูใจไม่ใช่ว่าจะต้องดูได้ตลอดเวลานะบางช่วงก็ดูไม่ได้มองไม่เห็นถ้ามองไม่เห็นไม่ต้องตกใจมองไม่เห็นทําสมถะไปก่อนนะกลับมาอยู่กับพุโทโธมาอยู่กับลมหายใจไปพอจิตใจมีเรียเร่ยวมีแรงเดี๋ยวกลับไปเห็นต่อนะไม่มีใครหรอกที่ดูจิตรวดเดียวตลอดนะไม่มีหรอก เพเวลาดูจิตนะเจริญปัญญาไปเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดเกิดดับดับไปนะมันเห็นได้ช่วงหนึ่งจิตมันก็ต้องพักไม่ธีเข้าพักของมันคือมันจับอารมณ์นิ่งๆอยู่อยู่เฉยๆเป็นของมันอัตโนมัตินะเป็นทุกคนแหละอย่างเวลาเราคิดอะไรเหนื่อยเหนื่อยรู้สึกไหมอยู่ๆหัวมันหยุดคิดไปเลยนนั่นมันต้องการพักเป็นธรรมชาติไม่ต้องตกใจ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไม่เห็นกิเลสตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเห็นกิเลสตลอดเวลาฟุ้งซ่านมากไปแล้วนะทำสมถะบ้างนะโวยกิเลสกิเลสกิเลสกิเลสนะเดี๋ยวก็บ้ารู้ขึ้นไรตีคนนะเนะี่ยงั้นก็รู้จัก บ, บัญญัติบัญติอย่างบ้างดูสภาวะไปนะช่วงไหนเหน็ดเหนื่อยนะแล้วจิตมันไม่ยอมพักเราก็พามันพักกลับมาอยู่กับพุทธโธมาอยู่กับลมหายใจไปสบายสบาย ค่อยๆฝึกตัวเองหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆจนกระทางจิตนี้ชำนิชำนานอย่างเรานี้ใสเราที่โกโรธเยอะเราหัดรู้โกโรธก็รู้ปล่อย ก, ก็รู้ต่อไปจิตมันจําสภาวะของความโกโรธได้แม่นพอความโกโรธเกิดปุ๊บสติจะเกิดเองนะสตินะสั่งให้เกิดไม่ได้สติต้องมีเหตุสิ่งที่เป็นเหตุให้สติเกิดนั่นก็คือทิระสัญญา ทอถุงสระอิรอเรือทีระคนไทยชอบใช้ควาว่าสติเยนสถิร ะ, ะสติยนมั่นคงรู้อย่างมั่นคงจําได้แม่นก็คือจําสภาวะได้แม่นตัวสัญญาตัวความจํำความจําที่แม่นยําในสภาวะ น, นี้เราจะจําสภาวะได้แม่นเราต้องเห็นสภาวะบ่อยๆไว้เราหัดดูสภาวะในใจเราไปเไรื่อย แใ่มันโกรธก็รู้โกรธก็รู้นะหายไปก็รู้มันโกรธขึ้นมาก็รู้ถ้าเราขี้โลภเราเห็นเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็หายแลเกิดดับเกิดดับอย่นี้ดูไปเรื่อยๆต่อไปจิตมันจําสภาวะของโกรธได้สภาวะของโลภได้พอโกรธปุ๊บสติเกิดเองพอโลภปุ๊บสติเกิดเองนะอัตโนมัติเลยต้องฝึกจนอัตโนมัติ นะไม่ใช่ตั้งสติเราชอบพูดคาว่าตั้งสติหลวงพ่อไม่ค่อยชอบเลยตั้งสติมันเหมือนสติเป็นพานเนี่ยเอามาตั้งเนี่ยนะมันตั้งได้ที่ไหนละสติเองก็เป็นอนัตตาสร้างให้เกิดไม่ได้ต้องมีเหตุถึงจเกิดเหตุของสติคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นจิตจําสภาวะได้แม่นเพราะจิตเห็นสภาวะบ่อยๆอย่างเราเห็นคนคนหนึ่งเราจําแม่นเพราะเราเห็นทุกวันจําได้ คนนี้บ้านอยู่ข้างบ้านเราอะไรเงี้ยญาติเราแท้ๆพี่น้องเราแท้ๆนะ้เราไม่เจอ2ี่ปีไม่เจอหน้าจำไม่ได้เหมือนจิตจะจำสภาวะได้ต้องเห็นบ่อยๆเราก็พาจิตเห็นสภาวะไปเรื่อยๆอย่างการดูจิตในเบื้องต้นไม่ใช่ไปพิสดารอะไรหรอกหัดรู้สภาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดร่วมกับจิตไปรลบขึ้นมาก็รู้หายลบก็รู้โกรธก็รู้หายโกรธก็รู้ หลงไปก็รู้ไม่หลงเกิดรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาก็รู้นะฟุงซ่านก็รู้หดหูก็รู้ใจิตใจเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆนะนี่แหละเป็นวิธีดูจิตนะในเบื้องต้นตอนหลวงพ่อสอนในนี้ใหม่ๆนะคนงงเขาวอยไวยนะโจมตีเลยนะบอกว่าหลวงพ่อเป็นหลงอาการของจิตไม่ได้ดูจิตหรอก หลวงปู่ดูลบอกว่าใช้จิตสบายฮาจิตอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอเรื่องอะไรหลวงพ่อจะงโง่ไปเที่ยวดูจิตละหลวงพ่อดูจิตมันทํางานเดี๋ยวมันก็โลกเดี๋ยวมันก็โปรธเดี๋ยวมันก็หลงเดี๋ยวมันฟุ้งซ่านเดี๋ยวมันโหดโถเดี๋ยวมันวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหลวงพ่อดูมันทํางานแบบนี้ทั้งหัก มันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจเราก็รู้มันมีพฤติกรรมเช่นวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดเราก็ค่อยรู้นี่แหละคือการดูจิตดูไปแล้วต่อไปเราจะเห็นนะจิตโลภอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตไม่โลภอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตไม่โกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับ จิตรู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับต้องฝึกจนกระทั่งเห็นจิตรู้เกิดดับจิตรู้กับจิตหลงมันก็คือจิตด้วยกันแหละแต่องค์ประกอบไม่เหมือนกันจิตหลงประกอบด้วยโมหะจิตรู้ประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาเป็นตัดกันแต่ว่าในความเป็นจิตแล้วมันก็เป็นจิตคือตัวรับรู้อารมณ์เหมือนกันรับรู้อารมณ์แบบหลงหลงก็รับรู้อารมณ์แบบผู้รู้นี่ไม่เหมือนกัน งั้เราจะมาฝึกจิตใจตัวเองนะอ่านมันไปเรื่อยๆไอ้ที่คนมาบอกว่าหลวงพ่อทําผิดทําผิดนะหลวงพ่อเคยทําทําอย่างที่เขาทําะคือหลวงพ่อรักษาจิตเด่นดวงสว่างสวายอยู่เป็นวันๆได้เลยคนระับฝึกตอนที่เรียนจากหลวงปู ด, ดูลใหม่ๆท่านบอกให้ดูจิตเราก็เข้าใจผิดเราก็ไปคนคว้าหาจิตนะั้นแยกแยกแยกสิ่งที่ไม่จิตออกไป ในสุดก็เจอจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้วก็รักษาไว้เฉยๆจิตทรงตัวอยู่อย่างนั้นเฉยๆพอเจอตัวนี้แนละ้วแทบจะเขลีกลัวตัวเองเลยทํามาได้ตั้งแต่เด็กๆตัวเนี้นั่งสมาธิได้แต่เจ็ดขวบก็ทํ า, เ, าทเป็นแล้วจิตที่เป็นผู้รู้เฉยๆอยู่อย่เงี้ยแต่มันไปต่อไม่ได้นี่เป็นทรงอันบ้านหลวงปู่หลวงปู่บอกนี่เป็นการแทรกแทงอาการของจิต นะทำผิดนะหลวงปู่ย้ำเลยว่าผิดท้านบอยจิตมีธรรมชาติคิดนึกปลูงแต่งเราไปทําจนจิตผิดธรรมชาติไม่คิดไม่นึกไม่ปลูงไม่แต่งไปทําไมทําผิดแล้วนะเพราะฉะนั้นการรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างให้จิตไม่คิดไม่นึกไม่ปลูงไม่แต่งไม่ใช่วิธีดูจิตที่ถูกต้องนะมีคนสอนนะมีคนมาสอนเปิดสานักสอนเลยทาจิตให้ว่าง อเนี่ยหลักของหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลฟันกบานหลวงพ่อมาแนละ้ว่ามันผิดนะโดนท่านสั์มาแนละ้วทำผิดจิตมีหน้าที่คิดนปรุงแต่งปล่อยให้มันทำงานไปแล้วมีสติตามรู้ไปนะมันปรุงแต่งความโลภ ก, ก็รู้มันปรุงแต่งความโกรธก็รู้มันปรุงแต่งความหลงก็รู้เราเฝ้ารู้ไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเห็นนะจิตที่โลภอยู่ช่วคราวล้วก็ดับ จิตที่โกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่หลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่ฟุ้งซ่านอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่หดหู่อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูตรงนี้เป็นการดูจิตในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนะเราเห็นการเกิดดับของสภาวะละสภาวะอะไรสภาวะจิตโลภจิตโกรธจิตหลงสิ่งที่เรียกว่าจิตโลภคืออะไรคือจิตบวกกับโลภ นะสิ่งที่เรียกว่าจิตโกรธคืออะไรคือจิตบวกกับสภาวะโกรธนะสภาวะรู้คือตัวจิตมันไปรวมเข้ากับสภาวะโลภโกรธหลงมันก็เป็นจิตโลภโกรธหลงขึ้นมาแล้วตัวสิ่งที่ปนเปื้อนเข้ามาในจิตเนี่ยมันเกิดพร้อมกับจิตแล้วมันดับพร้อมกับจิตดวงนั้นนะจิตโลภเกิดขึ้นพร้อมกับความโลภจิตโลภดับไปพร้อมกับความโลภดับนะเกิดดับด้วยกันนะพร้อมๆกัน งั้นเราไปดูตัวจิตเกิดดับเนี่ยดูไม่ได้เราก็อาศัยผ่านเนี่ยเราเห็นจิตโลภ เ, เกิดแล้วดับจิตไม่โลภเกิดเราก็ดับจิตโกรธจิตลงเกิดแล้วก็ดับการที่เราเห็นสภาวะเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตนั่นเองแหละเกิดดับนะจิตนั่นเองแหละเกิดดับแต่ว่ามันเกิดดับไปพร้อมกับสิ่งที่มาปนเปื้อนมาปรุงแต่งมั น, นอย่าจิตสุขเนี่ยเกิดขึน้นพร้อมกับความสุข ดับไปพร้อมกับความสุขเนั้นจิตกับเจตสิกเนี่ยเกิดร่วมกันเกิดด้วยกันอาศัยกันฉะนั้นเราจะดูจิตตรงๆเนี่ยไม่เห็นเราก็ดูผ่านเจตสิกอย่างโลภโกรธหลงเป็นเจตสิกคือเป็นสังขารเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเฝ้ารู้ไปแล้วเราก็จะเห็นนะจิตเกิดดับจิตที่ดีเกิดแล้วก็ดับจิตที่โลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับเห็นอย่างนี้เรก ที่เรียกว่าดูจิตแล้วก็ขึ้นมาสู่การเจริญปัญญาไม่ใช่เห็นจิตนิ่งนิ่งว่างๆอยู่ตั้งหลายปีว่างขนาดหลวงพ่อนะไปพาวนากับหลวงปูดดงป่ดูลนะโลกปู่ดูลโอเคแล้วบอกว่าช่วยตัวเองได้แล้วถึงช่วงหนึ่งยังเคยพลาดเลยตอนนั้นหลวงปู่ดูลสิ้นไปแล้วภาวนานะวันหนึ่งเห็นโทสะมันพุทธขึ้นมาจัดลางอกเนะี่ยแล้วมันมันเคลื่อนออกไปเราไม่เห็นมันเคลื่อนหนีออกไปข้างนอก ใจเราเคลื่อนตามโทรศัพท์ไปดูไปอยู่ข้างนอกโดยที่ไม่รู้ว่าใจออกนอกแนละ้วแล้วโทรศัพท์นี้ดับวับไปนะเราก็คิดว่าจิตเราอยู่ที่ฐานนะที่แท้จิตไม่ได้อยู่ที่ฐานนะจิตอยู่ข้างนอกนะพอจิตไปอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะมันมีแต่ความบ้างความสว่างความสบายความเบิกบานความเบานะจิตจะติดอยู่ในอรูปนะติดอยู่ในอารมณ์ของอรูปว่างสว่างสบาย ไม่มีตัวมีตนอะไรจะอยู่ไปนานๆนะหลวงพ่อเริ่มเฉลียวใจนะไม่ใช่หรอกพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตไม่เที่ยงทำไมจิตเราเที่ยงพระพุทธเจ้าบอกจิตเป็นทุกข์ทำไมจิตเราเป็นสุขพระพุทธเจ้าบอกจิตบังคับไม่ได้ทำไมเราทำได้เราควบคุมได้อยู่อย่างเงี้ยเป็นปีเลยนะมันต้องผิด่นะแต่มันผิดตรงไหนไม่รู้เนะี่ยพอดีไปบ้านตากพอดีนะ สมัยที่เราเพ่อเข้าไปหาหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านยังมีพระผู้ใหญ่กว่าท่านเพรนั้นท่านไม่ค่อยแสดงอะไรมากอย่างหลวงปู่ปเทศอะไรอยังอยู่หลวงปู่ขาวอะไรยังอยู่หลวงตาท่านรุ่นหลังพระป่านี่ถือซิเนริตีผู้ใหญ่ยังอยู่นะท่านไม่พูดท่านแม่ไหไม่ค่อยแสดงเท่าไหร่คนไม่ค่อยรู้จัก มากนับฮะแต่คนก็รู้จักนะในวงกรรมฐานแท้ๆเนี่ยนับถือท่านมาตลอดอะแต่ว่าคนวงกว้างไม่รู้จักท่านเท่าไหร่ถนนทุกสายเูาวิ่งไปหินหมักเป็งนะไม่เข้าบ้านตาดในสลวงพ่าเข้าบ้านตัดมาเนี่ยหลตานั่งฉันข้าวกําลังเตรียมจะฉันข้าวนะกำลังเอะพระอยู่องค์น้นทํำอย่างนีอนน้องนี้ทำโน้นนะเสียงท่านดังตะโกนบวกเวกบวกเวกนะ หลวงพ่อก็เข้าไปข้างหลังท่านศาลาท่านเดี๋ยวนี้ยังอยู่มั้งเล็กๆศาลาไม้เข้าไปถึงเข้าไปกลับท่านบอกขอโอกาสครับพ่อแม่ผัวอาจารย์ท่านหันมาปุ๊บเดี๋ยวก่อนเรายังไม่ว่างรออยู่ก่อนนะแล้วท่านก็ดุพระก่อนเรืจัดที่นั่งจะฉันข้าวอะไรจัดเรียบร้อยแล้วท่านหันมาไหว้ยังไงถามหลวงพ่อว่า้ยังไงนะ บอกพ่อแม่ครัวอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตแต่ผมรู้สึกว่าทําไมมันไม่พัฒนาเลยทําไมมันไม่พัฒนามาเป็นปีละมันผิดปกติแต่ผมดูไม่ออกดวงตาท่านมองหน้าเราพระท่านตอบเลยที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วนะต้องเชื่อเรานะตรงนี้สําคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้ เพรในประเภททําจิตให้ว่างนะที่หลงไปอยู่ข้างนอกตายแล้วก็ไปเกิดต่ออีกจิตเคลื่อนออกไปหรือหลงเข้ามาอยู่ข้างในก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันหลงไปข้างนอกก็ใช้ไม่ได้หลงเข้าข้างในก็ใช้ไม่ได้หลงรักษาไว้ตรงกลางไม่ข้างนอกข้างในก็ใช้ไม่ได้อีกถ้าเราหัดรู้สภาวะไปะจิตเราไปอยู่ข้างนอกรู้ทันจิตเข้ามาข้างในรู้ทันรักษาจิตไว้กลางๆงรู้ทัน คอรู้ทันเราแต่เรื่ อ, ร, อนะรู้ทันความปรุงแต่งเอาจิตการดูจิตเราดูได้สองอันอันหนึ่งดูความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตอีกงานหนึ่งดูพฤติกรรมของจิตมันทํางานเช่นมันไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นอะไรเงี้ยพอมันไปดูรูปแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาดูรูปอันนี้พอใจดูรูปอันนี้ไม่พอใจนี่เป็นอีกช็อตหนึ่งนะ งั้นถ้าเราดูจิตนะหัดทีแรกเราดูจิตโลภโกรดหลงอะไรเงี้ยดูความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตพอเราฝึกชำนิชำนาญนะเราจะเห็นพฤติกรรมของจิตจิตวิ่งไปดูเราก็รู้จิตวิ่งไปฟังเราก็รู้นะจิตวิ่งไปคิดเราก็รู้ทําไมเรารู้ว่าจิตไปดูจิตไปฟังจิตไปคิดเพราะจิตดวงนั้นไปเกิดที่อายตนะดูจิตตรงๆไม่ได้ก็ต้องดูผ่านตัวอื่น อย่างหยาบก็คือผ่านโลกปลดลงพอละเอียดขึ้นมาเราจะผ่านอายตนะจิตที่ดูมันก็ดวงหนึ่งจิตที่ฟังมันก็ดวงหนึ่งจิตที่คิดมันก็ดวงหนึ่งตรงที่จิตที่คิดเนี่ยยังแยกออกไปอีกจิตที่เป็นกุศลก็ดวงหนึ่งจิตที่เป็นอกุศลเป็นอีกดวงหนึ่งแต่ตรงที่จิตไปดูเนี่ยไม่มีกุศนนะะลอกุศลตรงที่จิตไปฟังไม่มีกุศลอกุศล จิจะมีกุศลอกุศลตรงที่มันเข้ามาที่ใจนะไม่กุศลอกุศลเกิดที่ใจเราเนี่เองไม่เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีกุศลอกุศลมีแต่อุเบกขาเฉยๆทดสอบเลลองดูพระพุทธรูปสังเกตไหมขณะแรกที่เราเห็นพระพุทธรูปใจเราเฉยๆดูต่อไปก็เริ่มมีจาง สวยบ้างไม่สวยบ้างแล้วแต่ชอบเนะี่ยตัวนี้ตามหลังมาลนะอันนี้เกิดที่ใจละไม่ได้เกิดที่ตาตรงที่ตามองเห็นเนะี่ยไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีดีไม่มีชั่วนะสุขทุกข์ดีชั่วมันมาเกิดที่ใจเนะีนะ่ยถ้าเราละเอียดนะเราดูจิตได้ละเอียดเราจะเห็นได้โลกนี้ว่างเปล่าเพราะสิ่งที่เรามองเห็นนะจริงๆว่างเปล่าไม่ได้มีอะไรเมื่อกี้มองออกไหมพระพุทธรูปนั้นตาเราเห็นปุ๊บแรกอะว่างเปล่า เราหลับตาลงแล้วหันหน้าไปทางใดก็ได้หลับตาแล้วหันหน้าไปแล้วลืมตาสังเกตไหมขนาดแรกที่เห็นเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นอะไรด้วยซ้ําไปนะตรงนั้นจิตมันไปรับรู้รูปอย่างเดีย ว, ยวแต่ว่ามันยังไม่ได้ปรุงแต่งภายในะยังไม่ได้กลับเข้ามาทํางานที่ใจเพราะฉะนั้นเะนี่ยมาปรุงรูปนี้สวยไม่สวยดีไม่ดีอะไรเนะี่ยมันมาปรุงต่อที่ใจเราละ ดังหัดดูจิตนะมันมีหลายเกรดดูจิตอย่างหยาบๆเพราะดูจิตโลภจิตโกรธจิตหลงไปถ้าดูจิตในขั้ละเอียดเราไปเห็นนะจิตไปดูจิตไปฟังจิตไปดมกลิ่นจิตไปริมรสจิตไปรู้สัมผัสทางกายนีจิตไปคิดทางใจเวลาจิตไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายนีจิตจะเป็นอุเบกขาแต่พอคิดทางใจนีจะเกิดสุขเกิดทุกข์ได้ เกิดดีเกิดกชั่วกิดที่ใจนี้่เนี่ยค่อยๆเรียนความจริงของมันไปแล้วแต่ไปปัญญามันแก่กล้าขึ้นนะมันจะเห็นนะเดีย๋ยวเราเห็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเลยเราจะรู้เลยมันโลภได้เองเราไม่ได้เจตนาจะโลภมันโกรธได้เองไม่ได้เจตนาจะโกรธมันหลงได้เองไม่ได้เจตนาจะหลงถ้าเจตนาได้เราคงเจตนาจะรู้ตัวไม่เจตนาหลงหรอนะ ขณะนี้รู้สึกตัวเฮ้ยเรารู้สึกเฉยๆรู้สึกได้จิตปกติสังเกตไหมพอเรารู้สึกตัวได้แป๊บเดียวจิตไปคิดละตรงที่คิดเนี่ยมันหลงคิดเ น, นี่ยเห็นไหมมันหลงได้เองมีคิดได้เองะเนี่ยหัดรู้หัดดูไปตรงนี้เป็นขั้นวิปัสสนานะเราจะเห็นนะมันทํางานได้เองถ้าเราเห็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเกิดขึ้นนะ่ะอันนี้ยังเป็นสมถะอยู่ แต่ถ้าเห็นจิตโลภอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเนี่ยเห็นอ น, นิจจ์เป็นวิปัสนาแล้วเห็นว่าจิตมันโลภได้เองจิตมันหายโลภได้เองอันนี้เห็นอนัตตาเป็นวิปัสนาแล้วิปัสนาต้องเห็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นแต่ตัวสภาว ะ, ะเช่นโลภโกรดโลภ ก, ก, ก, ก็รู้โกรดก็รู้หลง ก, ก็รู้ยังไม่ใช่วิปัสนาอยู่ในขั้นสมถะเท่านั้นแหละ แต่ถ้าเห็นวนะ่ความโกรธมันพุดขึ้นมาได้เองไม่มันดับไปได้เองอย่างนี้ยทําวิปัสสนาละนะนะหรือเราเห็นว่าจิตวิ่งไปดูได้เองจิตวิ่งไปฟังได้เองจิตวิ่งไปคิดได้เอง เ, เห็นจิตเกิดดับทางอายตนะอย่างเนี้เราทําวิปัสสนาลนะหรือเห็นว่าจิตที่ดูก็ไม่เที่ยงจิตที่ฟังก็ไม่เที่ยงจิตที่คิดก็ไม่เที่ยงอยันนี้ทําวิปัสสนานะเราจะทดสอบดูนะหลวงพ่อจะสอนให้ใหพวกเราดู ดูพระพุทธรูปดูอย่างเดียวห้ามคิดทำได้ไหมทำไม่ได้ดูแวบแรกก็ได้ใช่ไหมแต่ถัดจากนั้นจิตจะคิดจิตจะคิดห้ามไม่ได้แล้วโตวที่เราเห็นเออจิตนี้มันคิดได้เองวะเนี่ยเริ่มต้นที่เจริญปัญญาได้ละท่ามีปเ ส, สนาได้ลนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลย การดูจิตเนี่ยได้ทั้งสมถะได้ทั้งมิปัสนาถ้าเมื่อไหร่เห็นตัวสภาวะเมื่อนั้นเป็นสมถะมีสติรู้สภาวะที่กําลังปรากฏเมื่อนั้นเป็นสมถะเมื่อไร่เห็นความจริงของสภาวะว่าตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เมื่อนั้นเป็นมิปัสนาะดังนั้นเวลาที่จิตเราทํางานเนี่ยมันจะสลับกันเดี๋ยวเป็นสมถะเดี๋ยวเป็นมิปัสนาเดี๋ยวไม่เป็นทั้งสมถะทั้งมิปัสนาหลงไปเลยนะ ส่วนใหญ่มันก็คือไอ้ตัวหลังนี่แหละใช่หหลงคิดแล้วรู้ไหมหลงคิดหมดห้องเลยคิดได้ไหมคิดได้แต่จิตไปคิดเราก็รู้ทันว่าจิตไปคิดรู้ทันว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิด แต่เราอยู่กับโลกเราต้องรู้เรื่องที่จิตคิดเรียกว่ารู้บัญญัติสิ่งที่จิตคิดเรียกว่าอารมณ์บัญญัติแต่ถ้าเรารู้ว่าจิตคิดเนี่อรู้อาการที่จิตคิดนี่เป็นอารมณ์ปรมาภะคนละอันกันเพราะนเรารู้เรื่องที่จิตคิดเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนาแต่ถ้าเรารู้ว่าจิตไปคิดเนี่ยเดินปัญญาได้เมื่อก่อนมีญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะขอหลวงพ่อ อยีหรือโกเลยจจำไม่ได้แล้วมาอยู่ที่สวนโพที่วัดแล้วบอกตอนนี้อี้ภาวนาเป็นแล้วอีเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมเราฟังแล้วตะลึงเลยนะเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมเห็นหมาก็รู้ว่าหมาบอกไม่ใช่พวกเรารู้ไ้มเห็นพัดลมรู้ว่าพัดลมไหม ใครก็เห็นอะไรอย่างี้ใครก็รู้แต่รู้ว่าจิตคิดต่างไม่ใช่รู้ว่ามันคิดเรื่องอะไรสังเกตหัดดูจิตคิดนะวิธีดูจิตคิดนะลองเจตนาคิดก่อนเช่นเจตนาคิดพุทโธลองคิดพุทโธไปพุทโธพุทโธไป เห็นไหมเราพุทโธอยู่ดีๆจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเรารู้ทันอย่างนี้พุทโธพุทโธแวบหนีไปอเมริกาแล้วเียพุทโธพุทโธแวบกลับเมืองจีนไปแล้วเนี่ยให้รู้ทันอย่างนี้จิตมันหลงไปแล้วหลงไปคิดเรื่องอื่นแล้วเราคิดไปก่อนจงใจคิดแช่นคิดพุทโธพอจิตมันหลงเนี่ยมันจะไปคิดเรื่องอื่นไม่คิดพุทโธหรอก ก็จะได้รู้ทันได้เร็วเร็วเฮ้ยลืมพุทโธล้วแสดงว่าหลงชิดแล้วนี่หัดดูบ่อยๆนะต่อไปเราจะจำสภาวะที่หลงชิดได้ถ้าจำสภาวะหลงชิดได้นเป็นกรรมฐานที่เอาไว้ทำได้จนจบเลยนะตัวเนี้ยจนจบจิตเลยถึงที่สุดแห่งทุกได้เลยครั้งหนึ่งไปเรียนกับหลวงตาหลวงตาท่านบอกว่าท่านนะพุโทโธตั้งแต่ต้นจนจบนพวกที่เรียนปริยัต โจมตีหลวงตาเล้ว่าหลวงตาเนี่ยภาวนามไม่เป็นหรอกพุโทโธเป็นอารมณ์บัญญัติคือเป็นความคิดแมน้นพุโทโธตั้งแต่ต้นจนจบมันก็อยู่กับอารมณ์บัญญัติคืได้แต่สมถะไปว่าท่านอย่างนี้นะมันงี่เง่าเองอะพุโทโธไม่ได้แปลว่าคําว่าพุโทโธคําว่าพุโทโธไม่ใช่พุโทโธตัวจริงสิ่งที่เรียกว่าพุโทโธคือจิตของเรานี่เองเพะฉะ้ท่านพุโทโธพุธโทโธไปจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่าน พุโทโธพุโทโธไปจิตสงบรู้ว่าสงบอย่างพวกเราลองพุโทโธไปแป๊บเดียวจิตก็ฟุ้งซ่านละคือหนีไปคิดเรื่องอื่นเนะีย่ยหัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆพุโทโธพุทโธไปเนี่ยจิตหนีไปคิดอย่าไปด่ามันนะบางคนเสือกคิดนะโมโหโมโ ห, โมโหตัวเองนะอย่าไปว่ามันเรียนรู้มันโกรธมันนะ เมื่เราหัดพุดโทโธพุโทโธนะพอจิตมันทิ้งพุโทโธไปรู้เรื่องอื่นเราจะได้รู้ตัวได้เร็วมาตอนนี้หลงแล้วหลงแล้วเนืน้อหัดอย่างนี้บ่อยๆหัดจนฉ น, นี้ชํานาญนะต่อไปพอจิตหลงปุ๊บรู้ปั๊บหลงปุ๊บรู้ ป, ป, ป, ปั๊บโดยไม่เจตนานโดยไม่เจตนาตอนหลวงพ่อบวชได้สองพันสากว่ากว่า 3, สามพันสาบวชมาสองปีกว่ากว่า ได้สามพันสาเราก็ดูตัวเองนะกิเลสเรายังไม่หมดนะกิเลสไม่หมดยังต้องเกิดอีกเนะี่ยเห็นเลยว่าตัวเองต้องเกิดอีกแล้วเราอยากเร่งความเพียรก็พยายามจะเร่งความเพียรแต่ไม่สามารถเร่งได้ทาไมเร่งไม่ได้อยู่แค่นี้ก็ไม่จบนะล้างกิเลสไม่ขาด ทำให้ดีกว่านี้ก็ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะสติอัตโนมัติละไม่ได้เจตนาร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้เจตนารู้มันรู้จิตใจเคลื่อนไหวไม่ได้เจตนาจะรู้มันรู้นอนอยู่หลับอยู่พลิกซ้ายพลิกขวารู้หมดเลยนะจะเร่งความเพียรจะเพิ่มสติให้มากกว่านี้ไม่รู้จะเพิ่มยังไงนะมันสุดขีดมันนะสมาธิจะอยากเพิ่มสมาธิ ก็ไม่รู้จะเพิ่มยังไงสมาธิมันก็สมบูรณ์อยู่ในตัวเองนะจิตใจมันก็อยู่กับเนื้อกับตัวทั้งวันนไม่ได้ฟุง้งตระหนึเปิด เ, ดเิงอย่างพวกเราจะเจริญปัญญาเขาไม่รู้จะเจริญยังไงเห็นโลกนี้มันว่างเปล่าโลกนี้ไม่มีอะไรอยู่อย่างนี้เห็นตลอดเวลาอย่างนี้สติเขาเร่งไม่ได้สมาธิก็เร่งไม่ไ ด, ไได้ปัญญาก็เร่งไม่ได้ถ้าไม่เร่งอยู่แค่นี้ก็ไปไม่ได้อีกละเนะ มันอัตโนมัตินะเรนะต้องฝึกให้ได้อย่างนี้นะแต่ถ้านานๆต้องบิ้วขึ้นมาถึงจะมีสติต้องฝึกเยอะนานๆต้องปลุกใจตัวเองให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวต้องฝึกเยอะนานๆจะเห็นไตรลักษณ์สติต้องฝึกเยอะเพราะพยายามฝึกไปนะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะที่เป็นจิตมันอิ่มตัวลนะ้สติสมาธิปัญญาอตโนมัติเพมันทํางานของมันเอง แต่ใจเราเนี่ยมันเจอกิเลสลงไปมันเจอโลภะเจตนาเจอความโลภอยากจะจบอยากจบคิดอยากจะไม่ต้องเกิดอีกแล้วอะไรเงี้ยตัวนี้เป็นกิเลสที่มันซ่อนอยู่แล้วเราไม่เห็นเป็นราคะที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะมันถอดใจแลวมันไม่สามารถทำได้เราทำไม่ได้ลนะที่จะให้มาผลเกิด ใจมันรู้สึกอย่างนี้นะใจมันก็หยุดกันดิ้นรนหยุดอยากนะหยุดยากเหมือนท่านพระนนนะ่ะท่านพระนนทขืนสุดท้ายก่อนสังขยาณานะท่านเดินจงกรมหามลุ่มหามค่ามาทั้งหลายวันละนะแต่ว่าจะเร่งความเพียรไม่รู้จะเร่งยังไงทุกอย่างมันสมบูรณ์หมดแล้วนะสุดท้ายท่านนอนดีกว่านะท่านหมดความอยากที่จะบรรลุแล้วนะท่านล้มตัวลงนอน ตัวนั้นจิก็ตัดตรงนั้นเลยเราะฉั้นตอนเนี้ยโลภไปก่อนนะอย่าเพิ่มปล่อยวางความโลภทั้งหมดนะอโลภไปก่อนเราจะได้ขยันภาวนาถ้าอุเบกขาเลยเบกขามาอยู่ใกล้ๆจะโดนขาหลวงพ่อเลยอย่า <laughs> ตอนนี้มีความสุขรู้ไหมเนี่ยเห็นไหม แล้วดูไปสิจิต ท, ที่มีความสุขมนเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูไปเห็นไหมว่ามันเริ่มไม่เที่ยงมันเริ่มเข้าปรับตัวที่แรกฟูใช่นะมีความสุขเริ่มปรับตัวเข้าสู่จุดสมดุลคืออุเบกขานะเวลามีความทุกข์นะเรารู้ไปเหอะเดี๋ยวมันก็ปรับตัวเข้ามาสู่อุเบกขาไดนะ้มันเกิดแล้วมันดับทั้งนั้นนะไม่ว่าสุขหรือทุกขนะ์อุเบกขาเกิดแล้วดับไหมดับ อุเบกขาเกิดแล้วก็ดับตอนนี้อุเบกขาประเดี๋ยวมีความสุขอย่างนี้ไม่แน่นอนจิตผู้รู้เที่ยงไหมไม่เที่ยงเพราะเดี๋ยวก็กลายเป็นจิตผู้คิดเนี่ยเรียนรู้ความจริงในจิตใจของตัวเองไปนะสุดท้ายไม่จะเข้าใจความจริงกนระาทั่งจิตก็ไม่เที่ยงกระทั่งจิตก็ไม่ใช่ตัวเราเฝนะ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆ วันนี้หลวงพ่อให้กันบ้านแล้วนะพวกเราทำกันบ้านถ้ามีข้อสงสัยไปเปิด YouTube ฟังเอามีทุกคาตอบแล้วไม่ต้องฟังทั้งหมดหรอกยกมือไหว้คิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนนะนี่เคล็ดลับนะคิดถึงพระพุทธเจ้าขอให้ได้คำตอบที่กำลังสงสัยอยู่แล้วไปเปิด YouTube หลวงพ่อฟังนะแป๊บเดียวก็เจอแล้วนะทำไมเจอรู้ไหม อเรื่องที่พวกเราสงสัยนะมันเหมือนกันทุกวันแหลย <c oughs> มันก็สงสัยอยู่อย่างเดียวกันนั่นแหละมันแค่เปลี่ยนภาษาเปลี่ยนหน้าตานิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยนะหลักมันหลักเดิมนะงั้นเรารู้หลักนะหลวพ่ภาวนาะาวิธีนี้หลวงพ่อเคยใช้ครั้งหนึ่งเคยถามเจิยจดหมายไปถามหลวงตามาหาบัว บอกผมเห็นเนี่ยจิตมันไหวเย็บเย็บเยบยบ็ทั้งวันทั้งคืนนะแล้วมันทุกข์มากเลยผมจะทํายังไงหนะูตาเขียนจดหมายตอบมาสั้นนิดเดียวปกติเขียนยาวนะรอบนึงเขียนสั้นบอกเราเพิ่งไปทําตามาเราเพิ่งไปทําตามาผมไม่ได้ไปทําตาสองชั้นอะไร น, นะทั้งคงไปผ่าต้อกระจกอะไรเงี้ยมาเราเพิ่งไปทําตาม า, นะาอ่านหนะังสือเขียนหนะังสือยาวๆไม่ได้ตอนเนี้ย เอาหนังสือนี้ไปอ่านเองถ้าให้หนังสือมาเล่มใหญ่หนังสือทําเตรียมพร้อมหลวงพ่อเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือทําเทศนาของครูบาอาจารย์ถ้าอ่านเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกหนังสือที่เทศนาโวหารรู้จักเทศนาโวหารไหมเพีนมีเนื้อหน่อยหน่อยแต่น้ําเยอะๆเรื่องัญญายาวๆ ล, าลําขานอะเรามันโทสะเรน่องพวกโทสะ ชอบบรรยายโวหารไม่ชอบพันณนาโวหารไม่ชอบเทศนาโวหารตรงไปตรงมาไม่กี่คำรู้เรื่องเนี่ยชอบไี่เจอหนังสือเล่มใหญ่นะว้าถอดใจเลยทําไงวะท่านให้มาแล้วก็ต้องดูท่านบอกว่าเนี่ยคําตอบอยู่ในเนี้ให้ไปดูเองหลวงพ่อหนังสือวางบนโต๊นะหลวงพ่อลงกราบที่พื้นเลยไม่ใช่กราบหนังสือนะกราบหลวงตากราบ ท่านให้ด you know ูก็จะดูแล้วครูบาอาจารย์สั่งหยิบหนังสือลงมาพลิกหน้านั้นเลยหน้านั้นเลยคือคำตอบได้รู้ว่าวิธีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเวลามีคนต่างชาติมาเรียนนะเราจะสังเกตง่ายเขาจะหัวเราะช้ากว่าพวกเราเราจะหัวเอาะก่อนแล้วเขาจะหัวเราะตาม พอไหวไหมช่วยตัองให้เยอะนะครูบาอาจารย์นับมันจะแก่ลงเรื่อยๆนะ้วครูบาอาจารย์ที่สอนอย่างหลวงพ่อก็ไม่มีหรอกท่านไ ม, ไม่อยากสอนอย่างนี้มันเปลืองตัวเปลืองตัวนี้ไม่ใช่แค่ว่าถูกด่านะเปลืองตัวหมายถึงมันเปลืองธาตุขันอย่างแรงเยครูบาอาจารย์ท่านพูดเลยว่าพวกมาเรียนกรรมฐานเนี้ยเหมือนมากินเลือด ก, กินเนื้อท่าน แต่ท่านยอมให้กินเลือด ก, กินเนื้อท่านแต่ท่านอยู่ตามลำพังของท่านนะั้นท่านสบายการที่ท่านจะต้องมานั่งบัญญัติถ้อยคำออกมานะมาดูสภาวะของเราแล้วถ่ายทอดให้ตรงกับที่เราควรจะได้รับธรรมะอันนั้นเลยอันนี้กินพลังงานนะกินพลังงานแต่ครูบาอาจารย์ไม่ว่าหอรอกขออย่างเดียวฟังเราไปทาถ้าฟังแล้วไม่ทำนะเสียแรง บาะทีครูบาอาจารย์ไม่เทศเลยอย่างหลวงปู่แหวนนะคนขึ้นไปหาท่านแล้วก็ไปขอฟังเทศท่านไม่เทศหรอกบางทีบางทีก็เทศบางทีไม่เทศมีเป็นทีมใหญ่ใหญ่ขึ้นไปไม่เทศเลยพอพวกนี้ไปแล้วคนก็ถามท่านว่าทำไมหลวงปู่ไม่เทศสงเคราะห์เขาหน่อยบอกเราไม่อยากตักน้ำใส่หลังหมารู้จักไหมตักน้ำใส่หลังหมาใครเลี้ยงหมาบ้าง เอาน้ำขัดแรกถังแรกไปใส่หลังมันเป็นไงหายไปหมดเลยเราอย่าเป็นหมาตัวมันๆด้วยนะเนาะหัดภาวนาหลวงพ่อสอนให้แล้วรู้สึกไปอ่านใจตัวเองไปมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันดีมันชั่วมันโลภมันกรดมันหลงนะมันดึงเข้ามันผลักออกอะไรเนี่ยรู้ไปเรื่อย มันวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเราจะรู้จิตนี้ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ใช่เราจิตเป็นแค่สภาวะอธรรมอันหนึง่งไม่มีเจ้าของไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเมื่อเห็นว่าจิตไม่ใช่เราจะได้เป็นพระโสดาบันนะถ้าวันหนึ่งเห็นความจริงว่าจิตคือตัวทุกข์นั่นคือที่สุดแห่งทุกข์จิตจะปล่อยวางจิต ให้จิตลอยวางจิตแล้วจะไม่มีอะไรให้ยึดอีกต่อไปแล้วสิ่งที่เรารักเราห่วงแหนเราเห็นว่าเป็นตัวเรามากที่สุดก็คือจิตนั่นเองนะวันนี้หลวงพ่อเทศเท่านี้นะเพราะว่าหมอสั่งไห้เออย่าพูดต่อกันเกินชั่วโมงหนึ่งงั้นนานกว่า น, นี้จะพูดไม่ได้แล้วครับ วันนี้ก็มีญาติธรรมนำปัจจัยและทัยธรรมมาถวายนะครับขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจกล่าวคำถวายทานพร้อมๆกันข้าพเจ้าทั้งหลายาขอน้อมถวา ย, วายเครื่องปัจจัยและทัยธรรมและสิ่งของเงินเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่แหลวงพ่อปราโมทประโมโช ขอหลวงพ่อได้โปรดรับเ พ, พื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวต ร, ราตบสิ้งใจละนานเทาาิุหลวงพ่ออนุมโมทนาพวกเรานะพวกเรามาฟังธรรมแล้วเราก็ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านครับเราไปจอดรถในที่จอดที่เขาจัดไม้ให้นะ ไม่งั้นยาวนานไปกว่าเนี้ยเขาจะชาวบ้านก็จะลำคาญเมื่อว่าหลวงพ่อไปเทศที่สาราลูกชินนะสุดท้ายชาวบ้านทนไม่ไหววันที่หลวงพ่อไปเทศเนี่ยรถติดอยู่ในซอยเขาทั้งวันเลยในพวกเราจํานวนเราเยอะยิ่งนานมันก็ยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นงั้นเรามาสแสวงหาความสุขความเจริญหาสติปัญญาใส่ตัวเองเราอย่าไปสร้างความทุกข์ให้คนอื่นเขานะ กำเล็กกำน้อยก็อย่าไปทำยอมจอดรถห่างๆหน่อยเดี๋ยวเขาก็มีรถมารับเองอหะไม่มีรถมารับเราก็เดินเอาเห็นจะยากเลยนะแค่นี้เองพ่อไปละนะ